ธรมบทแปลเรื่องที่74เรื่องพระอนุรุธทธเถระภาคที่สเรื่องที่สของวรกที่เจอรหันตวรกวรนน า, นาพระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเวรุวันทรงปรารบพระอนุรุธทธเถระตรัสพระธรรมเทศนานีว้ว่ายัตซาสวาริคีนาเป็นต้น ความพิสดารว่าในวันหนึ่งพระเถระมีจีวรเก่าแล้วแสวงหาจีวรในที่ทั้งหลายมีกองอยากเยื่อเป็นต้นหญิงภรยาเก่าของพระเถระนั้นในอัตภาพที่สามแต่อัตภาพนี้ได้เกิดเป็นเทพธิดาชื่อชาลินีในดาวดึงพบนางชาลินีเทพธิดานั้น เห็นพระเถระเที่ยวแสวงหาท่อนผ้าอยู่ถือผ้าทิพสามผืนยาว13บามอกกว้างสี่ซอกแล้วคิดว่าถ้าเราจักถวายโดยทํานองนี้พระเถระจักไม่รับจึงวางผ้าไว้บนกองอยากเยื่อแห่งหนึ่งข้างหน้าของพระเถระนั้นผู้แสวงหาท่อนผ้าทั้งหลายอยู่โดยอาการที่ เพียงชายผ้าเท่านั้นจะปรากฏได้พระเถระเที่ยวแสวงหาท่อนผ้าอยู่โดยทางนั้นเห็นชายผ้าของท่อนผ้าเหล่านั้นแล้วจึงจับที่ชายผ้านั้นแหละแลฉุดมาอยู่เห็นผ้าทิพมีประมาณดังกล่าวแล้วถือเอาด้วยคิดว่าผ้านี้เป็นผ้าบางสกุลอย่างอกกริหเนอดังนี้แล้วหลีกไป ครั้นในวันทำจีวรของพระเถระนั้นพระศ า, าสดามีภิกษุ500รูปเป็นบริวารเสด็จไปวิหารประทับนั่งแล้วแม้พระเถระผู้ใหญ่8ปสบรูปก็นั่งแล้วอย่างนั้นเหมือนกันพระมหากัะสปะเถระนั่งแล้วตอนตอน้นเพื่อเย็บจีวรพระสารีบุตรเถระนั่งในถามกลางพระอน์เถระนั่งในที่สุด ภิกษุสงฆ์กรอได้พระศาสดาทรงร้อยได้นั้นในบ่วงเข็มพระมหาโมคคลานะเถระความต้องการด้วยวัตถุใดๆมีอยู่เที่ยวน้อมนำวัตถุนั้นๆมาแล้วแม้เทพธิดาเข้าไปสู่ภายในบ้านแล้วชักชวนให้รับภิกษาว่าสานผูเจริญทั้งหลาย พระศาสดาทรงธรรมจีวรแก่พระอนุรุทธเถระผู้เป็นเจ้าของเราทั้งหลายในวันนี้อันพระอสีติมหาสาวกแวดล้อมประทับนั่งอยู่ในวิหารกับภิกษุห้าร้อยรูปพวกท่านจงถือข้าวยาคูเป็นต้นไปวิหารแม้พระโมคคลานเถระนำชิ้นชมพูใหญ่มาแล้วในระหว่างพัด ภิกษุ500รูปไม่อาจาเพื่อขบฉันให้หมดได้ท้าวสักกะได้ทรงทำการประพรมในที่เป็นที่กระทาจีบอพื้นแผ่นดินได้เป็นราวกบว่าย้อมด้วยน้ำครั่งกองใหญ่แห่งข้าวยาคูของขวรเคี้ยวและพัดอันภิกษุทั้งหลายฉันเหลือได้มีแล้วภิกษุทั้งหลายพนธนาว่า ประโยชน์อะไรของภิกษุมีประมาณเท่านี้ด้วยข้าวยาคูเป็นต้นอันมากอย่างนี้ญาตและอุปถากอันภิกษุทั้งหลายกาหนดประมาณแล้วพึงพูดว่าพวกท่านจงนำวัตถุชื่อมีประมาณเท่านี้มาไม่ใช่หรือพระอนุรุตธาเห็นจะประสงค์ให้เขารู้ความที่แห่งญาตและอุปถาของตนมีมาก ลำดับนั้นพระศาสดาตรัสถามภิกษุเหล่านั้นว่าภิกษุทั้งหลายพวกเธอพูดอะไรกันเมื่อภิกษุเหล่านั้นกราบทูลว่าพูดเรื่องชื่อนี้พระเจ้าข้าจึงตรัสถามว่าภิกษุทั้งหลายก็พวกเธอสำคัญว่าของนี้อันอนุรุธะให้นำมาแล้วหรือภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่า อย่างนั้นพระเจ้าค่าพระศาสดาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายอนุรุท ธ, ธะผู้บุรของเราไม่กล่าวถ้อยคำเห็นป่านนั้นแท้จริงพระขีณาสบทั้งหลายย่ำไม่กล่าวคาถาปฏิสังยุตด้วยปัจจัยก็บินทบทนัตนี้เกิดแล้วด้วยอนุภาพของเทวดาเมื่อจะทรงสืบอนุสนรทิแสดงธรรม ตรัสพระคาถานี้ว่ายัซาสวาปริกีนาอาหาเรจะอนิสิโตสุญยโตอนิมิตโตจะวีโมโคยัสะโคจโรอากาเซวะสกุลตานังปะดันตสะดุรันวิยันติอาสวะทั้งหลายของบุคคลใดสิ้นแล้วบุคคลใด ไม่อาศัยแล้วในอาหารและสุญญตะวิโมกอั น, นิมิตะวิโมกเป็นโคโจรของบุคคลใดร่องรอยของบุคคลนั้นนั้นรู้ได้ยากเหมือนรอยของนกทั้งหลายในอากาศฉะนั้นแกอ้อัดบรรดาบทเหล่านั้นบทว่ายะซาสวาความว่า อาสวะสี่ของบุคคลใดสิ้นแล้วบาทพระกาถาว่าอาห้าเรจะ อ, อนิสิโตความว่าอันตัญหานิสัยและทิฏฐินิสัยไม่อาศัยแล้วในอาหารบาทพระกาถาว่าประดันตัสสะด้วรันวะยังความว่าอันบุคคลไม่อาจเพื่อจะรู้รอยของนกทั้งหลายซึ่งไปในอากาศ ว่านกทั้งหลายเหยียบด้วยเท้าในที่นี้บินไปแล้วกระแทกที่นี้ด้วยอกบินไปแล้วที่นี้ด้วยศีรษะที่นี้ด้วยปีกทั้งสองชันใดอันใครๆก็ไม่อาจเพื่อบัญญัติซึ่งรอยของภิกษุผู้เห็นปานนี้โดยในเป็นต้นว่าภิกษุนี้ไปแล้วโดยทางนรกหรือไปแล้วโดยทาง กานกำเนิดฉันนั้นเหมือนกันในเวลาจบเทศนาชนเป็นอันมากบรรลุอริยผลทั้งหลายมีโสดาปฏิผลเป็นต้นดังนี้แลหรือพระอนุรุทธะ